สทิฏฐาวิกรร ม, มวัคหมวดว่าด้วยการเปิดเผยความเห็นความเห็นที่ไม่ชอบธรรม425ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการเปิดเผยความเห็นที่ไม่ชอบธรรมมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี การเปิดเผยความเห็นที่ไม่ชอบธรรมมีห้าอย่างคือ 1. การเปิดเผยความเห็นในอนาบัติ 2. การเปิดเผยความเห็นในอาบัตที่เป็นอเทสนาคามินี 3. การเปิดเผยความเห็นในอาบัตที่แสดงแล้ว 4. การเปิดเผยความเห็นพร้อมกัน4ถึง5รูป หการเปิดเผยความเห็นด้วยนึกในใจอุบาลีการเปิดเผยความเห็นห้าอย่างนี้แลที่ไม่ชอบรมความเห็นที่ชอบรมอุบาลีการเปิดเผยความเห็นที่ชอบธรรมมีห้าอย่างคือ 1. การเปิดเผยความเห็นในอาบัตสอการเปิดเผยความเห็นในอาบัต ที่เป็นเทศนาคามินี 3. การเปิดเผยความเห็นในอาบัตที่ยังไม่ได้แสดง 4. การไม่เปิดเผยความเห็นพร้อมกัน 4- ถึงรูป 5. การไม่เปิดเผยความเห็นด้วยนึกในใจอุบาลีการเปิดเผยความเห็นห้าอย่างนี้แลที่ชอบทม ความเห็นที่ไม่ชอบธรรมอีกในหนึ่งอุบาลีการเปิดเผยความเห็นที่ไม่ชอบธรรมแม้อีก5อย่างคือ 1. การเปิดเผยความเห็นในสำนักภิกษุนานาสังวาด 2. การเปิดเผยความเห็นในสำนักภิกษุผู้อยู่ในสีมาต่างกัน 3. การเปิดเผยความเห็นในสำนักภิกษุมิใช่ปกตตะ 4. การเปิดเผยความเห็นพร้อมกัน4 5ถึงรูป 5. การเปิดเผยความเห็นด้วยนึกในใจอุบาลีการเปิดเผยความเห็น5้าอย่างนี้แลที่ไม่ชอบรรมความเห็นที่ชอบธรรมอุบาลีการเปิดเผยความเห็นที่ชอบธรรมนี้มี5อย่างคือ 1. การเปิดเผยความเห็นในสำนักภิกษุสมานสังวาสสการเปิดเผยความเห็นในสำนักภิกษุผู้อยู่ในสีมาเดียวกัน 3. การเปิดเผยความเห็นในสำนักภิกษุผู้เป็นปกตริตะ 4. การไม่เปิดเผยความเห็นพร้อมกัน 4-5 รูป 5. การไม่เปิดเผยความเห็นด้วยนึกในใจ อุบาลีการเปิดเผยความเห็นห้าอย่างนี้แลที่ชอบธรรมการรับประเคนที่ใช้ไม่ได้426ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการรับประเคนที่ไม่ถูกต้องมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี การรับประเคีนที่ใช้ไม่ได้มี5้าอย่างคือ 1. ของเขาให้ด้วยกายไม่รับประเคีนด้วยกาย 2. ของเขาให้ด้วยกายไม่รับประเคีนด้วยของเนื่องด้วยกาย 3. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายไม่รับประเคีนด้วยกาย 4. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 5. ของเขาให้ด้วยการโยนให้ไม่รับประเคนด้วยกาย да หรือด้วยของเนื่องด้วยกายอุบาลีการรับประเคนห้าอย่างนี้แลใช้ไม่ได้การรับประเคนที่ใช้ได้อุบาลีการรับประเคนที่ใช้ได้นี้มี5อย่างคือ 1. ของเขาให้ด้วยกาย รับประเคนด้วยกาย 2. ของเขาให้ด้วยกายรับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 3. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายรับประเคนด้วยกาย 4. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายรับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 5. ของเขาให้ด้วยการโยนให้รับประเคนด้วยกาย หรือด้วยของเนื่องด้วยกายอุบาลีการรับประเคนห้าอย่างนี้แลใช้ได้427ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าของที่ไม่เป็นเดนมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีของที่ไม่เป็นเดนมีห้าอย่างคือ 1. ของที่ภิกษุ ยังไม่ได้ทําให้เป็นกัปปิยะ 2. ของที่ภิกษุยังไม่ได้รับประเคน 3. ของที่ภิกษุยังไม่ได้ยกขึ้นส่งให้ 4. ของที่อยู่นอกหัตถบาท 5. ของที่ภิกษุยังไม่ได้กล่าวว่าทั้งหมดนั่นพอแล้วอุบาลีของที่ไม่เป็นเดนนี้มีห้าอย่างแล ของที่เป็นเดนอุบาลีของที่เป็นเดนมีห้าอย่างคือ1ของที่ภิกษุทาให้เป็นกัปปิยะแล้ว 2. ของที่ภิกษุรับประเคนแล้ว 3. ของที่ภิกษุยกขึ้นส่งให้แล้ว 4. ของที่อยู่ในหัตถบาท 5. ของที่ภิกษุกล่าวว่า ทั้งหมดนั่นพอแล้วอุบาลีของที่เป็นเดนนี้มีห้าอย่างแลการห้ามพัด428ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี การห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการห้าอย่างคือ 1. ภิกษุกําลังฉัน 2. ทายกนําโภชนะมาถวาย 3. ทายกอยู่ในหัตถบาท 4. ทายกน้อมของถวาย 5. ภิกษุบอกห้ามอุบาลีการห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการห้าอย่างนี้แล ปตินยาตการณะที่ไม่ชอบธรรม429ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าปตินยาตการณะที่ไม่ชอบธรรมมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีปตินยาตการณะที่ไม่ชอบธรรมนี้มีห้าอย่างคือหนึ่งิสุต้องอาบัติปาราชิก ถูกโจทด้วยอาบัติปาราชิกแต่ปฏิญยาว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศษสงปรับอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกรระไม่ชอบธรรม 2. ภิกษุต้องอาบัตปาราชิกถูกโจทด้วยอาบัตปาราชิกแต่ปฏิญยาว่าต้องอาบัตปาจิตตี สงปรับอาบัตปาจิตติภิกษุนั้นชื่อว่าปติญญาตกระณะไม่ชอบธรรม 3. ภิกษุต้องอาบัตปาติเทสนียะถูกโจทย์ด้วยอาบัตปาติเทสนียะแต่ปติญยาว่าต้องอาบัตทุกกฎสงปรับอาบัตทุกกฎภิกษุนั้นชื่อว่าปติญญาตกระณะไม่ชอบธรรม 4。พิสษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎถูกโจทย์ด้วยอาบัตทุกกฎแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัตปราชิกสงปรับอาบัตปราชิกพิสษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกรระไม่ชอบธรรม 5. ภพิสษุต้องอาบัตทุกกฎถูกโจทย์ด้วยอาบัตทุกกฎแต่ปฏิญญาว่า ต้องอาบัตสังคาธิเศษปาจิตตีปาติเทสนิยะสงปรับอาบัตปาติเทสนิยะภิสุนั้นชื่อว่าปติญญาตกระณะไม่ชอบธรรมอุบาลีปติญญาตกระณะห้าอย่างนี้แลไม่ชอบธรรมปรติญญาตกระณะที่ชอบธรรมอุบาลี ปฏิญญาตะการะที่ชอบธรรมนี้มี5อย่างคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกถูกโจอด้วยอาบัติปาราชิกปฏิ ญ, ญาว่าต้องอาบัติปาราชิกสงปรับอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตะการะที่ชอบธรรม 2. ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษถูกโจอุด้วยอาบัติสังฆาทิเศษ ปฏิญญาว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศตสงปรับอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกระณะที่ชอบธรรม 3. ภิกษุต้องอาบัตปาจิตตีถูกโจดด้วยอาบัตปาจิตตีปฏิญญาว่าต้องอาบัตปาจิตตีสงปรับอาบัตปาจิตตีภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกระณะที่ชอบธรรม 4. ภิสษุต้องอาบัติปาติเทสนิยะถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาติเทสนิยะปฏิญาว่าต้องอาบัติปาติเทสนิยะสงปรับอาบัติปาติเทสนิยะพิสษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตกรระที่ชอบธรรม 5. ภิสษุต้องอาบัติทุกกฏถูกโจทย์ด้วยอาบัติทุกกฏปฏิญาว่าต้องอาบัติทุกกฏ สงปรับอาบัตทุกกฎภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิญญาตการะณะที่ชอบธรรมอุบาลีปฏิญญาตการะณะห้าอย่างนี้แลที่ชอบธรรมไม่ควรทำโอกาส430ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบได้องค์เท่าไรหนอแลขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาส พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หขอให้ทำโอกาสสงฆ์ไม่ควรทำโอกาสองค์หคือ 1. เป็นอลัตชีสองเป็นคนโง่เขลา 3. ไม่ใช่ปกตักตะ 4. เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้เคลื่อนจากศาสนาห ไม่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้ออกจากอาบัตอุบาลีพิกษสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสควรทำโอกาสอุบาลีพิกษสุผู้ประกอบด้วยองค์หขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาสองค์หคือ 1. เป็นลัชชี สองเป็นบัณฑิตสามเป็นปกตัจตะ 4. สี่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้ออกจากอาบัตห้าไม่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้เคลื่อนจากศาสนาอุบาลรีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5นี้แลขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาสไม่ควรสนทนาวิไนสี่ร้อย4ามสิบเอ็ด ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไหร่หนอแหลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนาวินยักกนก ย, นนนยกับผู้ประกอบด้วยองค์ห้าองค์หคือหนึ่งไม่รู้วัตถุ 2. ไม่รู้นิทานส ไม่รู้พระบัญญัติ 4. ไม่รู้บทที่ตกหล่นในภายหลัง 5. ไม่รู้ถ้อยคำอันเกี่ยวเนื่องกันอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนาวิันกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลควรสนทนาวิไนอุบาลีพิกษุทั้งหลายควรสนทนาวิันกับภิกษุ ผู้ประกอบด้วยองค์ห้าองค์ห้าคือ 1. รู้วัตถุ 2. รู้นิทาน 3. รู้บัญญัติ 4. รู้บทที่ตกหล่นในภายหลัง 5. รู้ถ้อยคำอันเกี่ยวเนื่องกันอุบาลีภิกษุทั้งหลายควรสนทนาวินยัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แล เหตุที่ถามปัญหาห้าอย่าง432ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการถามปัญหามีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีการถามปัญหานี้มีหอย่างคือ 1. ภิกษพิุถามปัญหาเพราะความเป็นผู้โง่เขางมงายสอง เป็นผู้ปรารถนาเลวซามถูกความอยากครอบงำจึงถามปัญหา 3. ถามปัญหาเพราะดูมิน่น 4. เป็นผู้ไม่ประสงค์จะรู้จึงถามปัญหา 5. ถามปัญหาด้วยคำหนึ่งว่าถ้าเราถามปัญหาแล้วภิกษุจักพยากรได้ถูกต้องการพยากรดังนี้นั้นเป็นสิ่งดี แต่ถ้าเราถามปัญหาแล้วเธอจักพยากรณ์ไม่ถูกต้องเราก็จักพยากรณ์แก่เธออย่างถูกต้องอุบาลีการถามปัญหามีห้าอย่างนี้แหลการอวดอ้างมักผล433ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการอวดอ้างมักผลมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลรีการอวดอ้างมักผลมีห้าอย่างคือ 1. ภิกษุอวดอ้างมักผลเพราะความเป็นผู้โง่เขลงมงาย -2. เป็นผู้ปรารถนาเลวทามถูกความอยากครอบงำจึงอวดอ้างมักผล -3. อวดอ้างมักผลเพราะวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่าน สอวดอ้างมรรคผลเพราะสําคัญว่าได้บรรลุห้ 5. อวดอ้างมรรคผลที่เป็นจริงอุบาลีการอวดอ้างมรรคผลมีห้าอย่างนี้แหละวิสุท ธ, ธิ4 3่าท่านพระอุบาลีทูลถามว่าวิสุท ธ, ธิมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาลีวิสุทธินี้มีห้าแบบคือ1ยกนิทานขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุทเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้จัดเป็นวิสุทธิแบบที่หนึ่ง 2. ยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิกสี่ขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุทเทศที่เหลือด้วยสุตตบท นี้เป็นวิสุทธิแบบที่สองสยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิกสี่ขึ้นแสดงยกสังฆาทิเศษ13ขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุทเทศที่เหลือด้วยสุตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่ส 4. ยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิกสี่ขึ้นแสดงยกสังฆาทิเศษ13ขึ้นแสดง ยกอนิยตสองขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุดเทศที่เหลือด้วยสุตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่ส 5. ยกขึ้นแสดงโดยพิสดารทั้งหมดเป็นวิสุทธิแบบที่ห้าอุบาลีวิสุทธิมีห้าแบบนี้แลโภชนะห435ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า โภชนะมีเท่าไรหนาแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีโภชนะมีห้าอย่างคือ 1. ข้าวสุกสองขนมสด 3. ขนมแห้งสปลาห้าเนื้ออุบาลีโภชนะมีห้าอย่างนี้แหละทิฏฐาวิกรรมวัต์ที่สี่จบ หัวข้อประจำวักการเปิดเผยความเห็นในอนาบัติการเปิดเผยความเห็นในอาบัติการรับประเคนของที่เป็นเดนการห้ามพัดปติญญาตการณะการขอโอกาสการสนทนาการถามปัญหาการอวดอ้างมักผลวิสุทธิโภชนะ